ไ่สวดธรรมจักกับปตัตตวันกับธรรมจักนะเป็นพระสูตรหรือว่าบทที่พระวิชาท่านสอนเป็นครั้งแรกนะยิ่งสวดยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจมากเพราะว่านี่คล้ายๆเป็นตัวบุกเบิกนะธรรมะครั้งแรกที่พระเจ้าท่านบุกเบิกเหมือนคล้ายๆจักถ้าสมัยนี้ก็อาจจะจักอาจจะหายากอาจมาคิดว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนใบใบมีดตัดหญนะ้าเนาะใบมีดตัดหญ้า ตรงไหนมันรกนะเราใบมีตัดหญ้ากแหว่งไปแหว่งไปข้างหน้ากลายเป็นทางคนเดินได้แล้วนะสมัยก่อนไม่มีใบมีตัดหญ้าเอามีดถวดมีดถวดเป็นทางนอกสมัยก่อนเนาะเดินป่าอ่ามีดถวดเป็นทางก็เป็นเป็นแนวเป็นแนวไฟละนะแนวยางนี่จากแห่งธรรมนะจากแห่งทรรก็คือเป็นการบุกเบิกธรรมะเบื้องต้นเบื้องแรกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าโลกนี้นะ ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูนี่โลกเหมือนกับคล้ายๆความมือดอยู่กันไปอย่างงั้นแหละนะอยู่กันไปมีแต่ความมืดมีแต่ความหลงไม่รู้เกิดมาทําไมไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรตายไปแล้วจะไปไหนคนตัวใหญ่ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านเหมือนคล้ายๆเป็นจักแห่งธรรมเอาธรรมะมาเบิกทางให้พวกเราได้เดินเดินตามทางนั้นให้ได้เหมือนตอนกลางคืนแหละถ้าเราถ้าเราอยู่มืดๆเนาะที่มืด มีไฟฉายสองทางเราก็ดูแล้วว่าจะต้องเดินไปทางไหนธรรมะก็เป็นแบบนั้นแหละนะถ้าใครได้พบธรรมะแล้วเหมือนคล้ายๆเหมือนคนหลงป่าอ่าทมาเคยเดินป่าชอบเดินป่าอ่าเคยหลงป่าเหมือนกันหลงป่าไปแล้วมันดีใจตอนไหนดีใจตอนตอนเจอลำทานนะเจอลำทานนี้รู้แล้วว่าตัวเองรอดได้นะเพราะว่าถ้าเราเดินตามลำทานไปเรื่อ ย, อยนี่สักวันลนะำทานมันก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ไหลจากป่าออกไปสู่เมืองนะไหลจากป่าออกไปสู่เมืองเราก็ออกจากเมืองได้นะออกจากป่าได้นะธรรมะก็เหมือนกันนะปฏิบัติไปแรกๆมันเหมือนคล้ายๆคนดงป่าไม่รู้จะจับดักยังไงไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติแบบไหนไม่รู้ต้องวางใจแบบไหนเหมือนคนดงป่าแต่พอปฏิบัติไปแล้วนะถ้าได้หลักในการวางใจถ้าได้หลักในการปฏิบัติเหมือนคล้ายๆคนพบดำทานกลางป่านะ มันรู้แล้วว่าทางที่จะเดินต่อไปมันเป็นเส้นทางไหนอาจจะเผลอหลงไปบ้างนะก็กลับมาได้นะกลับมาเจอเส้นทางตัว น, นี้ได้เส้นทางตัว น, นี้คืออะไรก็คือสติปัฏฐานที่พวกเราปฏิบัติกันนี่แหละนะเส้นทางสติปัฏฐานเนี่ยจะพาเราออกจากป่าจะพาเราออกจากความหลงออกจากความหลงหลงอะไรนะหลงยึดว่ากายเรานะหลงยึดว่าจิตเรา คือความหลงโดยส่วนน่าสรุปเลยหลงยึดว่านี่คือกายของเราหลงยึดว่านี่คือจิตของเราไปยึดว่ากายเป็นของเราไปยึดว่าจิตเป็นของเรานี่คือความหลงคนส่วนใหญ่ทั้งหมดหลงหลงในรูปหลงในรูปนี่ก็ปุถุชนทั่วไปก็หลงในรูปแต่พอเราบางทีเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเป็นพระเป็นชีวแล้วก็เป็นแม่ออกพอออกแล้วในรูปนี้ไม่ค่อยหลงเท่าไรหร่แล้วนะรูปนี้ปล่อยได้ไม่ต้องตกแต่ง ไม่ต้องเสริมสวยได้ก็ไม่เป็นไรนะลงในรูปน้อยลงแต่มาดงอีกอย่างนึง่งลงในจิตนะไปยึดอยากให้จิตมันดีนะมีไหมปฏิบัติธรรมแล้วอยากให้จิตมันดีไม่อยากให้มันคิดฟุ้งซ่านไม่อยากให้มันไปคิดในทางที่ไม่ดีนะแต่มันก็ห้ามไม่ได้อยากให้จิตมันสงบนะอยากให้จิตมันมีความสุขอยู่ตลอดเวลานี่ลงในจิตนะลงในนามธรรม นัปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่บางคนนะไม่ใช่ทุกคนบางทีระรูปได้แต่มาหลงจิตมาหลงอยากให้จิตมันดีอยากให้จิตมันสงบอยากให้จิตมันเบาสบายก็ไปหลงยึดตรงนั้นแหละอาจมาเคยสนทนากับบางคนนะเขาใกล้ตายเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันใกล้จะตายแล้วก็ถามว่าห่วงอะไรห่วงอะไรที่สุดเขาบอกตายไม่กลัวกลัวแต่ตายไม่ดี <c oughs> ตายไม่กลัวนะยอมแล้วยอมยอมตายเพราะว่าต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมาไม่รู้จะหาวิธีรักษาไปไหนแล้วแต่กลัวจะใจกลัวจะตายไม่ดีกลัวตอนจะตายตใจมันจะไม่ดีนะนักปฏิบัติธรรมก็อยากจะไปดีเนาะแต่กลัวกลัวที่จะไปไม่ดีก็เลยยึดไว้ว่าจิตนะ่ะมันต้องดีก่อนจะตายก็เป็นการกลัวอย่างหนึ่งนะที่จริงแต่จริงถ้าเรามีสติรู้เท่าทันความกลัว มีสติรู้เท่าทันความความวิตตกน่ะจิตของเราเป็นปกติแล้วนะจิตตอนนั้นมันไปดีแล้วนะอาจารย์พุทธทาท่านบอกว่าถ้าจะตกกระไดเนี่ยตกกระไดกระโจนมาเลยนะแต่ในมันก็จะตกเหน่งมันก็จะตายแล้วตั้งหลักใมัได้ยืนยืนกับพื้นใหมันได้เลยนีอันนี้คือตกกระไดพยกระโจมจิตมันจะออกจิตมันจะดุดเราดูเท่าทันมาเลยนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรมากมี เห็นไว่ากลับมาศึกษากายศึกษาใจของเราตามความเป็นจริงเนาะไม่ดัดแปลงไม่แก้ไขดัดแปลงแบบไหนกายมันปวดมันเมื่อยก็ปรับเปลี่ยนมันนะแต่ไม่ดัดแปลงดัดแปลงแบบไหนก็คือว่าอยากให้มันหายปวดอยากให้มันหายเมื่อยนี่ไปแก้ไขมันนะบางคนนั่งปฏิบททัติธรำตัวเองแหละชอบหลงต่อปฏิบัติใหม่ๆนี่ชอบหลงหลงไงต้องนั่งนานๆต้องเดินนานๆ ถ้าเดินได้ทักสองสามชั่วโมงนี่ภูมิใจนะว่ากูเก่งกูเก่งนะอภูมิใจว่าตัวเองเดินได้นานนะถ้านั่งได้เป็นชั่วโมงนี่ก็ภูมิใจว่ากูก็เก่งอีกเหมือนกันมีแต่กูเก่งนะปฏิบว่าทําไปแล้วยิ่งหลงมากกว่าเก่านะกายมันเก่งนะแต่ใจมันไม่เก่งใจมันโง่ะนะกายมันเก่งขึ้นกายมันนั่งได้นานขึ้นกายมันเดินได้นานขึ้นแต่ใจมันโง่ลงนะเพราะลงไปยึดลงไปยึด มันมีมานะเพิ่มมากขึ้นนะการปฏิบัติธรรมไม่ได้เอายกมือได้นานเดินได้นานนะนั่งสงบได้นานนะแต่ให้เรารู้ทันใจตัวเองที่มันเป็นตัวบงการการนั่งคอยสั่งให้เราต้องนั่งนานๆเพื่ออะไรคอยสั่งให้เราต้องเดินนานๆเพื่ออะไรคอยสั่งให้จิตนะทํางานต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันตัวนี้นะมันจะถอนการยึดถือตัวนี้ได้นะคล้ายๆเหมือน เหมือนตำรวจที่เขาสอบหาผู้บงการคดีต่างๆนะี่ยตอนแรกก็สอบเจอแล้วเจอคนฆ่านะสมมติเป็นมือปืนที่ที่จ้างวานฆ่านะเขาก็เจอมือปืนจับมือปืนได้แล้วแต่ยังไม่เจอผู้บงการคล้ายๆเหมือนกันเราก็จับกายจับใจตัวเองเล้นะดูกายไปเรื่อยดูกายไปเรื่อยนะสักวันนะมันจะเห็นตัวบงการคือใจที่มันบงการบงการกายให้ต้องเดิน บงการกายให้ต้องนั่งบงการกายให้ต้องไปทำนั่นทำนี่เนะี่ยเป็นตัวบงการก็คือผู้สั่งการเราดูกายไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เห็นผู้บงการก็คือใจนี่แหละให้เห็นใจที่มันคอยสั่งการสั่งงานนะพอเห็นผู้บงการนะปิดคดีได้นะปิดคดีจบคดีตัดสินได้แล้วนะตัดสินได้ ว, ว่าเราทุกข์เพราะว่ามันมีตัวบงการภายในใจของเรา <c oughs> ตัวบงการภายในใจคืออะไร เราก็สวดแล้วนะเมื่อกี้คือตัณหาตัณหานะตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากภาษาเราเนาะภาษาของเราคือความอยากความอยากมีอะไรบ้างลนะ่ะความอยากในทางรูปรสกลิ่นเสียงนะั่นก็เป็นความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานี่ก็ความอยากแต่มันมีความอยากอย่างที่นักปฏิบรรัติทำไม่ค่อยรู้เท่าทันคือความ คืออยากที่จะไม่อยากใช่ไหมไม่อยากได้นั่นไม่อยากได้นี่นะไม่อยากเหมือนกันนะก็มีความอยากเหมือนกันอยากที่จะไม่ได้นะอยากที่จะอยากที่จะมีความสงบนะไม่อยากให้มีความฟุ้งซ่านนะความไม่อยากตัวนี้ก็เป็นตัวที่ที่เราต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะอ่เป็นตันหาอย่างหนึ่งนะไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเอาก็เป็นความอยากนะอ่ ไม่อยากมีนะไม่อยากมีตัวตนไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นนะอันนั้นมันเป็นตัวตันหาที่คอยบงการเราเหมือนกันนะคล้ายๆเหมือนเราหลงฝั่งหลงไปติดฝั่งหนึ่งอ่าพอก็พอถึงจุดหนึ่งก็ไปดลงติดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะไปติดอีกฝั่งหนึ่งไม่อยู่ทางทางสายกลางพอดีเลยนะอย่างบางคนบอกว่าเ น, นี่ยเราจะขอสู้กับกิเลสให้มันสุดๆนะสู้แบบไหน สู้แบบว่าเอออยากกินอะไรก็จะกินให้มันหายอยากไปเลยนะเคยมากินจนมันเอียนไปหลยนะกินไปนะกลายจากความอยากความชอบกลายเป็นความไม่ชอบมันดีไหมไม่ดีเหมือนกันนะไปติดอีกฝั่งหนึ่งติดฝั่งที่ชอบแล้วไปดงติดอีกฝั่งไม่ชอบอีกครั้เนี้่ยไม่ได้ทางสายกลางเลยนะอแต่การปฏิบัติทำให้เรามีสติรู้ทันว่าอ๋อมันไปชอบอันนี้รู้ทันว่าชอบ นี่เป็นตรงกลางแล้วกินอันนี้ไม่ชอบรู้ทําว่าไม่ชอบมันเป็นตรงกลางแล้วนะนะการที่บางทีกิเลสนี่มันเรียกว่ามันมันดอกเก่งนะมันดอกว่าโอ้ขอให้ทําตัวนี้สักหน่อยเถอะนะเดี๋ยวทําไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หายเบื่อไปเองเดี๋ยวมันก็หายอยากไปเองนะแต่ทําไปจริงก็ไปติดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งชอบฝั่งไม่ชอบให้เรารู้เท่าทันจิตใจของเราในการ กระทบสัมผัสอารมณ์ต่างๆตอนนี้ให้มันให้เท่าทันเนาะดูกายก็เห็นกายนะอ่าไม่ใช่ดูกายเห็นมือไม่ใช่ดูกายเห็นลมไม่ใช่ดูกายเห็นเท้านะดูกายเห็นกายมันเคลื่อนนะหลักในการปฏิบัติดูกายเห็นกายมันเคลื่อนเห็นกายมันหยุดเห็นกายกระทบเห็นกายสัมผัสไม่ใช่ดูเท้ากระทบไม่ใช่ดูเท้าเดินไม่ใช่ดูมือเคลื่อนไม่ใช่ดูลมหายใจที่เข้าที่ออกนะ ลมหายใจเป็นเพียงแค่อวัยวะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกายแต่เราดูกายทั้งกายมันเคลื่อนนะนะดูใจก็เหมือนกันดูใจใหม่ๆต้องดูใจดูเรียกว่าภาษาพากเรียกว่าดูเจตสิกคืออาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะเป็นความโลภความโกรธความหลงนะความทุกข์ความสุขความฟุ้งซ่านความสงสัยต่างๆนี่คือดูเจตสิกของมันไปก่อนดูอาการของจิต ดูอาการของจิตมันก็จะเห็นจิตที่มันไม่ปรุงแต่งก็มีนะจิตที่มันปรุงแต่งก็มีจิตที่มันไม่ปรุงแต่งก็มีเนี่ยอริยสัจนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจนะยังไม่เข้าใจถึงยังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาแม้จะบวชก็ดีแม้จะไม่บวชก็ดีนับถือก็ดไีไม่นับถือก็ดีนะ ให้เข้าถึงอริยสัจนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะให้เราเข้าใจตรงนี้ไว้ว่าถ้ายังไม่เข้าใจอริยสัจคือความทุกข์ความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์ได้วิธีวิธีดับทุกข์เนี่ยนะถ้าเราเข้าถึงตรงนี้ได้นะมันก็เรียกว่าสรุปได้เลยนะอริยสัจแปลว่าอะไรไปว่าความจริงความจริงอันประเสริฐมีอยู่สี่อย่างให้เราเข้าถึงเนี่ย เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์แค่นี้แหละนะเรื่องทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเนาะพระพุทธเจ้าท่าสรุปง่ายง่ายสรุปว่าไงกายกับใจนี่แต่เป็นทุกข์ <g ay> กายกับใจนี่เป็นทุกข์นะไม่ใช่คนนั้นมาว่าเราเราถึงเป็นทุกข์คนนี้ทําให้เราไม่ถูกใจเราถึงเป็นทุกข์นะไม่ใช่นะอม่มันอยู่ที่ใจของเรามาอยู่ที่กายของเรานี่แหละเป็นทุกข์ถ้าเรามากลับมาศึกษากายศึกษาใจของเรา <c oughs> เราก็จะเห็นว่า ตัวที่ทุกข์คือกายกับใจไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นนะคือกายกับใจเราเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วนะแม้ไม่มีสิ่งอื่นมากระทบมันก็ทุกข์อยู่แล้วนะมีสิ่งอื่นมากระทบอีกก็ยิ่งทุกข์ไปอีกนะถ้าเราวางใจไม่เป็นถ้าเรากลับมาศึกษากายศึกษาใจแล้ววิธีการศึกษาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกให้ไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่กายที่ใจของเราเนี่ยแหละ ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะปฏิบัติธรรมนี้เป็นคล้ายๆเป็นเป็นการสังเกตนะปฏิบัติธรรมแบบแบบสังเกตการสังเกตดูกายสังเกตดูใจของเราโดยไม่ไม่ไปปรุงไม่ไปจัดฉากไม่ไปจัดการไม่ไปบังคับแล้วก็ไม่ตามเขาไปด้วยนะเราเป็นผู้สังเกตการผู้สังเกตการดูกายของเราสังเกตการใจของเราที่มันเคลื่อนมันไหว สังเกตไปโดยที่ไม่ปรุงแต่งหลวงพ่อท่านจะบอกคำว่าให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆก็คือเนี่ยซื่อซื่อคือคือการที่ซื่อก็คือเฉยเฉยเฉยเฉยโดยการที่ไม่เข้าไปปรุงแต่งกับอาการทั้งทางบวกทั้งทางลบเนี่ยเป็นการรู้ซื่อๆแล้วก็ฝึกตรงนี้เนาะใหม่ๆมันยังไม่มันไม่ซื่อหรอกนะรู้ไปแล้วลงไปยินดีรู้ไปแล้วหลงไปยินได้รู้ไปแล้ว อยากจะจอยากจะขจัดให้มันออกไปกิเลสมันเกิดขึ้นมีปะอยากจะขจัดให้มันออกไปความง่วงนะอยากให้มันออกไปความฟุ้งซ่านอยากให้มันออกไปความคิดไม่ดีอยากให้มันออกไปเนี่ยเป็นการเรียกว่าอัตตกรีรมาฐานุโยก็ได้นะเป็นการบังคับกดข่มนะบังคับกดข่มจิตใจตัวเองให้มันเป็นทุกข์นะอัตตกีรมาฐานุโยกนะ แต่บางคนก็หลงไปตามกิเลสนะหลงไปตามกิเลสก็ไปปรุงแต่งไปสุกับเขาเนะี่ยการมาสุขันโยกเนะี่เป็นทางปฏิบัติที่ว่าสุดโต่งอยู่สองทางแตม่มีทางปฏิบัติอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าทาผิดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะไม่ไปบังคับไม่ไปกดข่มแต่ก็ไม่ตามเข้าไปแต่ไปทาจิตให้มันนิ่งๆทําจิตให้มันเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็ ไปเกาะอยู่กับตรงนั้นอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะไม่ให้กิเลสมันเข้ามากระทบไม่ให้จิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะอันนั้นก็ไม่ใช่นะถ้าทําแบบนั้นนะไปดีเหมือนกันนะไปพมโรคไฟดีนะอย่าไปว่าพรมรโรคนะพมโรคนี่ไปนะวันดู ก, กี่กลับกี่กันนะจะกลับมาเกิดนะกลับมาเกิดตอนไหนนะพระพุทธเจ้าท่านตอนที่ท่านตัดสุดูนะท่านคิดถึงอาจารย์ของท่านสององค์แรกก็คือ ที่สอนสอนทําสมาธิเนาะสอนทําสมาธิพอท่านตัดสู่แล้วโอ้คิดถึงอาจารย์อยากจะไปสอนอาจารย์นะพอดูว่าอาจารย์สองคนนั้นตายแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านแทนที่จะบอกโอ้หน่าเสียดายนะท่านบอกว่าชิปหายแล้วชิปหายแล้วชิบหายคืออะไรอชิปหายก็เรียกว่าเสียหายเนาะเสียหายแล้วเพราะไปเกิดในพโพลมโลกนี่เขาว่านานขนาดไหนเขาบอกว่า เขาซูเมรุเขาเมรุก็คล้ายๆ ย, ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกน ะ, ะถ้าเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์หรือหิมาลายนี่ก็สูงไม่มากเท่าไหร่หรอกประมาณแค่10บกิโลเมตรความสูงน ะ, ะมีมีนางนางฟ้าตนหนึ่งนะร้อยร้อยปีหรือพันปีจำไม่ได้เหมือนกันนะลงมาเอาผ้าถูภูเขาอยู่ครั้งหนึ่งนะถูจนกระทั่งเนะี่ยไม่รู้กี่หมืน่นกี่ ล้านปีนะเรื่องทั้งเขามันลาบเขามันลาบเป็นเรียบเหมือนแผ่นดินไปเลยนะนานขนาดนั้นนะนานขนาดนั้นนี่น่ากลัวมากถ้าใครตกไปอยู่ในภพมโรกเนี่ยน่ากลัวมากนะไปอยู่อย่างอื่นก็น่ากลัวเหมือนกันนะไปอยู่ตรงไหนเขาบอกอย่างบางคนนี่ตกนรกนี่ไปอยู่นานมากนะเวลาในเวลาในนรกนี่เขาบอกว่าประมาณหนึ่งวันของมนุษย์ตะโลกของเรานะ วันหนึ่งของเรานี่เท่ากับประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นปีไม่ใช่หนึ่งืนหนึ่งหมื่นปีในมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของนรกโดนบ่ถ้าใครตกนรกไปนี่ชดใช้การไม่รู้กี่กี่พบกี่ชาติเนาะแต่ก็เสียเวลาตั้งมานานนะหนึ่งหมื่นปีของมนุษย์เราเนี่ยเท่ากับหนึ่งวันในนรกนะนี่กถถ็ถือว่าเสียหายไปมากแล้วนะ แต่บางคนก็ติดดีนะอยากจะไปสวรรค์มีใครอยากเป็นนางฟ้าบ้างมีใครอยากเป็นเทวดาบ้างนะเสียเวลาเหมือนกันนะเขาบอกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์อะไปอยู่ในภพสวรรค์ก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ต้องกลับไปเกิดกี่ภพกี่ชาตินะเป็นมนุษย์เนี่ยเขาตายกันไปกี่ภพกี่ชาติแล้วสวรรค์ยังไม่ตายเลยนะ <c oughs> ไปอยู่ตะวนนานไปติดอยู่ในภพภูมิอื่นเนี่ย อยากไปยู่บอกไม่เพี้ยนอ๋ออยากไปยู้ก็ดีแต่เขคันกลับมาเกิดใหม่เราศาสนามันเสียไปได้อ่าศาสนามันหายไปเรามันยืดืดได้นะเพราะว่าจยงไรศาสนาพุทธศาสนาเพิ่นทำนายเนาะเพิ่นทำนายว่าอยู่ได้แค่ห่าพันปีเพิ่นทำนายแต่มีเป็นความจริงหรือเปล่าบ่ดู คันหาพันปีคันแม่เพียนไปอยู่ในสงสวรรค์นีกคือว่าได้กลับมาเกิดไหมหล่ะศาสนาหายไปก่อนเด้ <c oughs> ไปถ่า <c oughs> ไปถายภาษีอาญาเมตไตเรเอาเนาะ<ช>อ่าถ่ายเอาได้จะไปเกินเพิ่นได้เกิดเพิ่นไปมีอีกบอกรู้อ่า <c oughs> จะไปเกินเพิน่นนะอืมแต่เพิ่นวานเนี่ย <c oughs> พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่า <c oughs> พบภูมอื่นต่างๆก็ดีคือกันอย่างหลวพ่อเขพูดมา เศร้าเนาะหลวงพ่อก็พูดเมื่อเช้านี้นะบอกว่าเนี่ยอนุบุพิคตถาบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้คนทําทานถอนนิคนรักษาศีลเพื่อให้ได้ไปสวรรค์แต่พอไปถึงสวรรค์นะพระพุทธเจ้าก็สอนต่อนะสวรรค์ก็มีโทษนะไปติดที่โทษของสวรรค์ก็ไม่ดีนะนะติดในความสุขก็ไม่ดีนะติดในความสบายก็ไม่ดีนะนะท่านก็บอกว่าเนี่ยให้เห็นให้เห็นทุกข์จากความสบาย ให้เห็นทุกข์จากความสุขนะเราเห็นหรือเปล่านะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะเห็นความสบายนี้ชอบเห็นความสุขนี้ชอบนะเราต้องเห็นทุกข์จากความสบายให้ได้เห็นทุกข์จากความสุขให้ได้ถ้าเห็นทุกข์จากความสบายเห็นทุกข์จากความสุขมันจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกาหนัดอยากจะออกมาสู่เนคขมะเนคขมะคือการออกบวชนะออกบวชไม่ใช่ออกบวชทางด้านร่างกายเฉยเฉยนะออกบวชทางจิตใจการบวชทางจิตใจก็คือการที่เรา ไม่ข้องเกี่ยวกับทางความสุขทางโลกไม่ข้องเกี่ยวกับความทุกข์ทางโลกเนี่ยเป็นการออกบวชอย่างแท้จริงนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนพ่อก็พูดชาวนาะบอกเนี่ยเห็นโทษของสวรรค์นะเห็นโทษของความสุขให้สู ข, ขการออกบวชพอออกบวชไปแล้วเนี่ยท่านก็นตีเลยนะอริยสัจสี่เนี่ ย, ม า, ยรร 4, มาสอนต่ออริยสัจสี่มาสอนต่อจนกรทั่งไม่ติดไม่ติดทั้งสวรรค์ไม่ติดทั้งมนุษย์ไม่ติดทั้งพบใดภูมิใดเนี่ย ไม่ติดแล้วไม่เกี่ยวข้องไม่ข้องแวะแล้วเนี่ยคืออริยสัจนะเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เรียกว่าสอนให้คนเข้าสู่คุณงามความดีสอนให้คนยกจิตตัวเองให้สูงขึ้นนะยกจิตตัวเองให้สูงขึ้นแต่ไม่ให้ยึดติดกับกับจิตที่มันสูงขึ้นจนกระทั่งมันหลุดพ้นหลุดพ้นมันมีภพภูมิหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลุดพ้นแต่ดูแต่ว่ามันไม่เป็นพาละนะ มไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระของจิตไม่เป็นภาระที่ต้องแบกหามบางทีเราไปคิดนะว่าของมันเบาๆบามันสบายมันไม่เป็นภาระแต่จริงของที่เบาๆบางทีมันก็เป็นภาระนะสังเกตก็ได้นะมีสมเด็จรูปหนึ่งท่านเป็นสังฆราชรูปหนึ่งมีลูกศิษย์ไปหาท่านไปหาท่านแล้วก็บอกว่าตัวเองนี่เป็นทุกข์มากเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้อะไารพั ก็มีตอนหนึ่งเจ้าคุณสมเด็จท่านก็มีแขกมาหาท่านก็ต้องออกไปออกไปรับแขกอีกที่หนึ่งก็บอกให้ลูกศิษย์คนนั้นนั่งรอก่อนนะอนั่งรอก่อนนะจะถือกระดาษให้เราสักแผ่นหนึ่งก่อนถือกระดาษให้เราสักแผ่นหนึ่งก่อนท่านก็ออกไปรับแขกอยู่เป็นชั่วโมงนะลูกศิษย์คนนั้นก็พอสมเด็จท่านบอกให้ถือกระดาษไว้แผ่นหนึ่งก็ไม่กล้าวางก็ถือไว้อย่างนั้นเป็นชั่วโมงนะ ถือไวเป็นชั่วโมงพอสมเด็จท่านกลับมาบอกเอา้ายังถือกระดาษอยู่ทําไมล่ะไม่ไม่หนักเหรอหนักครับแต่ผมไม่กล้าวางพอสมเด็จสั่งกระดาษแผ่นนึง่งหนักไหมจะว่าหนักก็ไม่หนักนะแต่ถ้าถือนานๆมันก็มันก็ทุกนะภพภูมิต่างๆก็เหมือนกันนะที่ว่ามันดีนะไปยึด ต, ติดในภพภูมิที่ดีนะก็ทุกเหมือนกันนะศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาที่เรียกว่าสอนให้เรา ฝอยวางทุกอย่างเรื่องกายก็ดีเรื่องใจก็ดีนะใจมันดีแต่อย่าไปยึดใจที่มันดีใจมันไม่ดีก็อย่าไปยึดใจที่มันไม่ดีเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของเราเนาะก็เว่าวธรรมะมัว ม, ว ม, วมัวไปนะคิดคิ ด, คดจังไรว่าคิดจังไรก็ว่าวจังพลาดแหละบอดดีว่าวไรก็ดอดีดอกพอแล้ว พอที่จริงธรรมะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมากที่พูดไปมากๆก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะให้เราจับหลักให้มันได้ก็พอจับหลักให่ได้ก็คือดูกายดูใจของเราโดยสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งนะเนี่ยธรรมะมีแค่นี้ดูกายดูใจโดยที่ไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่ไปผักใส่เขาไม่ไปยึดเขาดูที่มันเรียกว่ารู้ซื่อๆ อ, อย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยธรรมะที่จริงมีแค่นี้ที่พูดไป พอสรุปให้มันได้ว่ามีแค่นี้นะหลักในการปฏิบัติมีแค่นี้จริงๆครูบาอาจารย์จะสอนมากมายขนาดไหนจะยกนิทานขนาดไหนก็แค่ตรงนี้แหละหลักในการปฏิบัติให้เราจับหลักในการปฏิบัติได้เราก็จะพบทางที่จะเดินออกจากป่าเนาะพบดําทานที่จะออกจากความทุกข์พบความสุขที่แท้จริงนะก็ขอให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงให้พ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิน